วัดของเราอุ่นขึ้นนะวันนี้นะเม <c oughs> ื่อวานนะเย็นกว่าวันนี้วันก่อ น, นอเ ย, ย็นจริงๆเมื่อวันก่อ น, นนะมันลงถึงสิบสิบสองอะไรสิบสองกว่าแต่เมื่อวานมันขึ้นมาแต่วันนี้หลวงพ่อว่าไม่ต่ากว่าสิบสิบสี่หรือสิบห้าแล้วนะวันนี้นะรู้สึกอุ่นขึ้นแหละคนทลายวิตกกังวลว่าปีนี้น้ํามาก น้ำท่วมคงจะหนาวมากวิตุกกังวลกันแต่เอาแต่แท้ไม่หนาวเลยปีนี้วะเออหนาวน้อยในปีนี้นะ ล, ลงเพียงสิบเอด็ดอา่าสิบเอด็ดอยู่วันหนึ่งมั้งแล้วก็ขึ้นมาอีกหนาวไม่นานหนาวเพียงบกลงแล้วขึ้นไปไม่เหมือนแต่ก่อนปีคนก่อนโอ้ทานในหนาวมัน ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หนาวสุดที่ปีโยมพ่อจากไปปีนั้นหนาวมันลงถึงสามโอ้หนาวจริงๆปีนั้นแต่ก็อยู่บ้านตาทีครงพ่ออยู่บ้านตาสิบสี่ปีก็ไม่หนาวอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันนะหนาวไปนั้นแต่มันไม่มีประลอดวัด ไปบินเท่าบาทเห็นน้ําค้างอยู่ในยอดหญ้าเนี่ยเป็นสีขาวไปหมดเลยนเหมือนกน่ลเออสีขาวไปบินเท่าบาทอ้าว<อ>พวกปลาเขบอกเ อ, อ้มันทําไมเอ่อยหญ้าทำไมมันสีขาวนะบางองค์ก็อยากลงไปดูเางนะือนกันเลยพอไปจับอู้มันเป็นน้ําแข็งในหนาวเหกันเออเพราะไม่เคยเห็นนะปี น, นั้นรู้สึกว่าหนาวที่สุดต้นกล้วยได้ตายนะเพราะนั้นจะต่างประเทศของเขาเนะี่ย ต่างประเทศที่ว่าไม่มีกล้วยกินเนี่ยเพราะสู่หนาวไม่ได้ต้นกล้วยจะตายก่อนเพื่อนนะอยู่วัดป่าว้านทัดที่นี่ของพื้นกัรนะถ้ามันหนาวขึ้นมาใบเหลืองหมดเลยนะหลวงพ่อว่าต้นกล้วยมันคงจะมีน้ํามันมีน้ําอยู่ในกาบในในตัวของมันพอมันหนาวขึ้นมาน้ํานเ่ยที่ตัวของมันแข็งทีนี้มันก็เลยไปเลี้ยงใบมันไม่ได้เพราะน้ํามันอยู่ที่นั่นเยอะต้นกล้วยก็เลยตายก่อนเพื่อนนะ ต้นกลัวเนี่ยตายตายเหลืองหมด่ทํามันหนาวแปลว่าตายยกทีมเลยนั่นและแล้วก็ต้นหมามุ้ยเนี่ยคือเถาหมามุ่ยแต่หลวงพ่ออยากจะให้มันตายหรอกหมามุ้ยเนี่ย <c oughs> ทางนี้ก็เรียกว่าเถาตาแย่ที่เป็นหมามุ้ยที่มันขัดคั น, น่ะที่มันเป็นผงอันนั้นก็ตายอีกเหมือนกั น, น่ะเออไม่ทนไม่ทนหนาวตัว น, นั้น ตายหมดแต่มันก็คงจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะ่ะมันคงจะตายแต่ข้างบนเนะี่ยตจะหลกมันคงยังอยู่อันนี้เห็นอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเนะี่โอ้หมามุ้ยนะ่ไม่ทนหนาววาะตายหมดแต่หนาวดูดูแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะ่ยยังไงยังไงก็สู้ฟื้นไม่ได้ หาท่อนฟืนใหญ่ๆมาสักสามสี่ห้าท่อนนะสมคนละทิศละทางสักสามสักสามจุดเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะไล่หนาวได้ดีมากๆเลยผ้าห่มโอ้สู้ไม่ได้เน<อ>ี ผ, ผ้าห่มเนี่ยสู้ไม่ได้สู้ผ้าไอ้นี่ไม่ได้แต่ทุกวันเนี่ยเออเขามีผ้าห่มไฟฟ้าอันนี้นเออเจ๋งของเขาจริงๆนะผ้าห่มไฟฟ้าเนี่ยผ้าห่มเข้าไปอุ่นสิของมันอุอ่นจริงๆพอตั้งอุณหภูมิเข้าไปแล้วเออใช้ได้ใช้ได้ผ้าห่มไฟฟ้า แต่ว่าห่มธรรมดาเนี่ยโอ้สู้ไม่ได้ถ้านหนาวจริงๆมันห่มข้างบนแต่มันเย็นข้างล่างขึ้นมาที่ตึ้งล่างถึ้งจะใส่หน้าขนาดนี้แต่มันมีโลในน้ำก็หนาวจนเนี่ยใดินฟ้าอากาศพูดถึงความหนาวความหนาวเนี่ก็มันเป็นอุปสรรคต่อมนุษย์ชาติเหมือนกันต่อโลกเหมือนกันถ้านหนาวมากๆามันก็อยู่ไม่ได้นะแต่ละหลัก ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้วางเอาไว้เหมือนกันว่าอุตุสัพยะอากาศเป็นที่สบายอาหารสัพยะอาหารไม่ฟืดเคืองอยู่ได้ปกครอสัพยะบุคคลเป็นที่สบายเ ส, ยนาสนาสนะสัพยะ ที่อยู่อาศัยไม่ฟืดเครื่องมากเป็นที่สบายอันนี้ก็เป็นที่สําหรับให้พระสงฆ์ได้ภาวนาและปฏิบัติแต่ เ, เราจะไปให้ส ป, ปายะทุกอย่างก็ก่อนยังปฏิบัติธรรมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอได้อันหนึ่งมันก็สิบขาดอันหนึ่งขาดอันหนึ่งมันก็ได้อันหนึ่งถ้าเราอยู่ในปา่า ใช่ได้ความสงบเสนาสนะสัพเพยะอย่างที่เราต้องการแต่เราก็ขาดพวกน้ําพวกอาหารจะอยู่อย่างนั้นแต่เราอยู่ในที่พอเหมาะมีอาหารการบริโภคมันก็เป็นที่วุ่นวายก็ขาดเสนาสนะสัพเพยะไปบางทีก็ ร้อนบ้างบางที่ก็หนาวบ้างฮะอย่างเนี้ยจะให้เสมอชะก่อนจึงค่อยภาวนานะมันหาไม่ได้แต่หลวงพ่อประมวลในความคิดเห็นหลวงพ่อนะแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ชี้ขาดว่าสัพเพะทั้งหลายทั้งปวงทั้งกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอันไหนสําคัญแต่หลวงพ่อประมวลเองนะ่ะ หลวงพ่อว่าปุคระส ป, ปายะบุคคลเป็นที่สบายตัวนี้สําคัญทําไมจึงว่าสําคัญเพราะบุคคลอยู่ด้วยกันถ้าหาว่ามีอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกหรือว่าแนวความคิดไม่ตรงกันไม่ไปแนวแถวเดียวกันคนหนึ่งอยากจะภาวนาคนหนึ่งอยากจะคุยกันฮงคนหนึ่งเห็นการอิจฉากันพูดกันแ น, ะ ก, แนกันแหนกัน แต่นี้มันอยู่ด้วยกันนี่ยบุคละไม่สับปลายยะเนี่ยมันอยู่ในใจเนี่ยแตมันขว้างอยู่ในใจมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกแล้วเราภาวนาเนี่ยต้เอาใจภาวนาทีนี้เอาใจของเรานั่งภาวนาเอาใจของเราเพื่อจะให้มันสงบพอนั่งภาวนาไปแล้ก็เด็นเน่มันก็ไปคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่อยู่รอบรอบข้างเรานั่นแ่ะ เขาจะว่าให้เราเขาไม่พอใจเราอย่างนี้แนะ่ละเพราะในสุดก็เลยปุคลาเนี่ยไม่สบายะอะบุคคลไม่เป็นที่สบายอยู่ด้วยกันคล้ายๆกับว่ามันอยู่ข้างนอกก็สะดวกสบายดีอยู่แต่ในใจนั้นมันมีความหวาดกระแวงหรือว่าไม่ตายใจไม่ไว้ใจในหมู่ในคณะอันนี้ภาวนาเนี่ยหลวงพอ่อลงยากมากเลยจุดนี้ ภาวานาเนี่ยไม่ไปไหนนะคล้ายๆ่ามันขวางกันอยู่ตลอดนี่หละหลวงพ่อจึงบอกและมาแนะนำผู้ที่ไปด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันอย่าให้มีปัญหาให้รู้จักการวางตัวรู้จักเขารู้จักเราไม่จำเป็นอย่าไปพูดอย่าไปดูถูกหรือจะไปทำอะไรให้คนอื่นหมู่พเพื่อนไม่สบายใจถ้าว่าพูดอย่างนั้นขึ้นไป เผื่อมันจะเป็นบาปกรรมสำหรับตนเองอีกต่างหากอยากจะพูดให้ใครก็พูดอยากจะทำอะไรให้ใครเขาทำทำให้คนอื่นเขาภาวนาวมันตะกิตตะขวางฮอเพื่อๆออกจากนั้นออกมาก็ออกลายเลยทีนี้มันอยู่ในใจซะก่อนทีแรกพอออกพออยู่ในใจเสร็จแรกก็ออกทางกายแสดงอากับกิริยาเห็นกันแล้วก็ทำอะไรก็ฟัดก็เฟียด ต, ต่อกัน ต่อมาคนนั้นพูดกระแทกกระแดกดันต่อกันมันจะออกทางกายทางวาจาต่อไปอันดับแรกก็คือทางใจซะก่อนคือความไม่พอใจในใจซะก่อนแต่ถึงยังไงเรื่องการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจการบาเพ็ญทางจิตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของใจเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าเสนาสนะสัพพายะกด็ดีถึงจะอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ในที่สงบอย่างพวกเราอยู่ แต่พระอยู่ในวัดหรือคนอยู่ในวัดที่มาอยู่ด้วยกันไม่ลงรอยกันหรือว่ามีความไม่ผาสุกต่อกันมันก็ขวางกันภาวนาไม่สะดวกปุคลาไม่สับปายะพอเสนาชนะสงบก็จริงแต่ใจมันไม่สงบอาหารรสัพายะอาหารก็เป็นที่พอเพียงไม่เดือดร้อนพอเป็นไปได้แล้วก็อุตุไม่ร้อนไม่หนาว จนเกินไปก็อยู่ได้แต่ว่าปุคคละเนี่ยที่หลวงพ่อเน้นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังเป็นหงพ่อว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในการภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือให้จำรวมระวังการอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่อยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในณสถานที่ใดๆ ถ้าว่าพวกเราสํารวมกายวาจาของเราแล้วก็สําบรวมใจของเราออกมาจากใจทั้งหมดน่ะถ้าใจของเรานึกคิดดีแล้วกายวาจามันก็ไปในทางที่ดีเพราะว่าใจมันเป็นหัวหน้าเหมือนกับเราขับรถอย่างนั้นน่ะรถของเราคนขับรถนิสัยดีมีมารยาทดีในรับการอบรม รู้จักสิ่งควรไม่ควรควรจะไปทางไหนรถควรจะช้าควรจะเร็วออควรจะเบรกในเมื่อมีขราวจำเป็นแล้วก็ควรจะบีบแตรในคราวจำเป็นรถคันนั้นก็เป็นที่ยอมรับของคนคนทั้งหลายก็เออรถคันนี้รู้จักในการเดินในการไปของรถแต่รถบางคันเนี่ย พอเห็นอะไรพอเห็นหมาก็ไม่รอไม่ล้างเหยียบหมาพอเห็นงูเห็นจิงจบตุกแกก็เหยียบด่าไปไม่ได้คิดว่าชีวิตของเขานั้นมีคุณค่าว่าตัวเองมีคุณค่าเท่านั้นอ่ะมันตัวเล็กตัวน้อยเหยียบมันไปเลยแต่ว่าตัวที่ถูกเหยียบนั้นมันไม่ใช่น้อยนะใจมันใหญ่นะมันเจ็บมันปวดขนาดไหนอันนี้ก็คือลถคันท่านแปลว่า ไม่ดีล่ะสําหรับคู่คนอบางทีจะไปที่ไหนกับทั้งเฉียวทั้งชนเจียดเสีย ด, ส, ยด ส, สีไปฮะจากนั้นก็แตรทั้งที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ด่าไปหมดเหมือนกับแตรรถแขกอย่างนั้นนะพวกเราไปอินเดียเราจะเห็นแขกนี่ใช้แกรลรถเนี่คุ้มจริงๆบีบด่าไปหมดเขาไม่ถือกันนะแต่เมืองไทยเนี่ยเราต้องบีบแกล ให้รู้จักในการใช้แกลใช้แตรนะถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้ไ ม, ใชไม่เป็นนะมันก็เป็นขี้ขวางหูขวางใจของคนเพอเพลลงเปิดประตูรถมาชกต่อยตีฆ่ากันอีกต่างหากเพราะหาว่าบีบแตรไร่เอาบีบแตรไร่ไร่กันนี่ก็เหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบกับคนเราทุกคนของคนเราเนี่ยร่างกายเหมือนกับรถนะ แก่ใ จ, ใจใจเหมือนกับคนขับรถแต่วาจาเนี่ยเหมือนกับแตรของรถตอนเราต้องใช้ให้ถูกใจของเราต้องคิดซะก่อนว่าควรจะใช้กายยังไงแล้วก็ควรจะใช้วาจาอย่างไรถ้าเราไม่ได้คิดซะก่อนเราใช้กายไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรก็ เ, เกจการล่าลานไปหมดเห็นใครกัตาทะลึงใส่แต่ไม่พูดหรอก แต่ทำอากับกิริยาตะปึงตะปังใส่เขาอย่างเนี้ยอันนี้ก็ทำให้ผู้อยู่ใกล้หรือว่าผู้ที่พบเห็นก็ทำให้ไม่สบายใจก็ยิ่งเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าที่รักเขารบทำอากับกิริยาอย่างนั้นเราก็ไม่สบายผู้เป็นผู้น้อยแล้วก็จากนั้นก็พูดออกไปอีก มีอะไรหลวมปากก็พูดไปเลยโดยที่ไม่ได้เกรงใจใครอันนั้นแปลว่าใช้แกลผิดสถานที่ปิดไปล่ำเวลาอ่าสักหน้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ด่ไปหมดนะกะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนเหมือนกันนี่แหละถ้าเราจะเปรียบเทียบรถกับพวกเราท่านทั้งหลายกัลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในสถานที่ใดไปในสถานที่ใดใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญจะต้องได้รับการอบรม อบรมทางด้านจิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยมโนปุพังคมาธรมาอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ทำคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพวกเราศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากแต่ทางโลกทั่วไปเดี๋ยวนี้โลกไม่ว่าเป็นหมอ ไม่ว่าวิทยาศาสตร์แขนงไหนเขาเน้นเรื่องของกายเน้นถึงเรื่องของร่างกายมากกว่าเพราะว่าเขาอย่างไม่ถึงอย่างวิ ช, ชาของเขาเนี่ยยังไม่ถึงใจมันอาจจะขาดช่วงในครั้งพุทธกาลน่ท่านศึกษาเขาศึกษามาถึงใจพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานเขาศึกษาเรื่องของใจได้ละเอียดถี่ถ้วนมาก แต่คงจะเป็นศึกสงครามในระหว่างกลางหรือว่าวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่หรือว่าศาสนาอื่นเี่เข้ามาขั้นกลางเขาก็เลยขาดการศึกษาเรื่องของใจมีแต่ศึกษาเรื่องของกายเนเพราะฉะนั้นเขาจึงศึกษาแต่เรื่องของกายกายของเรามีอะไรบ้างเขากขาวามีสมองฮะสมองบนศรีรษะเนี่ยการแพทย์ทุกวันเนเขาก็เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ผลี่สุดเขาก็มาถึงสติสมองสมองตัวนึกสมองตัวทำไมสมองบวมสมองเส้นเลือดแตกในสมองอะไรล่ะสมองถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นความคิดของคนก็เปคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้ฟัน่นเฟือนไปหมดประสาทเสียรัวเป็นบ้าได้ง่ายเพราะสมองแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคืนว่าใจ สมองนเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องใช้ของใจใช่อย่างเราปีโน้ตบุ๊กอย่างเนี้ยมันมีอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นนะแต่โน้ตบุ๊กมันเสียคนที่ใช้เน่ยถึงจะมีสติปัญญาขนาดไหนใช้ไปแต่มันกดไม่ออกเพราะอะไรเพราะโน้ตบุ๊กมันเสียสมองมันเสียแล้วมันปั่นป่วนมันเส้นใดเส้นหนึ่งของเครื่องตัวมันไฟฟ้าที่มันเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะมันเสีย คนที่จะใช้ฝีมือเก่งขนาดไหนก็ไปใช้ไม่ได้เพยยื่ออะไเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนั้นมันเสียมันไม่ปกตินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักมาหาคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นหละใจเป็นใหญ่คือใจคือตัวนามธรรมาไปใช้คอมพิวเตอร์อีกทีหนึง่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ท่านก็ทางา น, นพอทางานแต่บางคนทำไมโง่ฉลาดต่างกัน พระพุทธญาติว่ากรรมคือการกระทําถ้าว่าคนคนนั้นในอดีตชาติเป็นผู้ใยในการศึกษาเห็นพระหรือว่เห็นส ม, มณฐพราหมณ์หรือเห็นผู้ใดก็าตามที่มีความรู้ความฉลาดกว่าตนก็เข้าไปไถ่ถามซักถามไถ่ถามเรียนรู้กับปราชญ์คนนั้นอันนี้แหละคือการใ่ในการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าเกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้ฉลาด เพราะเหตุใดเพราเขาฝ่ในการศึกษาอยู่เสมอฝึกฝนในความรู้สึกของเขาคือเขาฝ่าในการศึกษาแต่ถ้าว่าคนโง่ทงําไมจะโง่เกิดมาเพราะพระไตรปิฎกท่านบอกว่าในอดีตชาติเขามกมุ่นหรือว่าเขาชอบในพวกยาเสพติดพวกดื่มสุราพวกดื่มสุราพราะกินเข้าไปแล้วทําให้สมองตัวเองทื่อเออ ลราก็ฝึกฝนให้ตนเองเป็นคนโง่ในหลักธรรมคำสอนท่านว่ายอย่างนั้นนะอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเนยมาศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ยอย่างนั้นท่านบอกว่าคนที่ร่ำรวยก็เหมือนกันอันนี้สงคนที่ร่ารวยชาติที่แล้วเขาชอบทำบุญทาทานอันนี้สงทานของเขาสง่งแต่คนที่มีชีวิต สั้นตายเร็วทั้งที่เป็นลูกเศรษฐีพร้อมหมดทุกอย่างเขาทนุถนอมประคบประโงมทั้งหมดนที่จะให้ลูกหลานของเขามีชีวิตอยู่ได้แต่เขาเกิดมาแล้วตายเพราะอะไรในหลักธรรมกรรมสอนบอกว่าเขาอันนี้สงทานของเขาดีอันนี้สงทานเขาดีแต่เขาชอบฆ่าสัตว์เขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพราะเมื่อเขาชอบฆ่าสัตว์ชีวิตของเขาก็จะสั่น แต่บางคนเป็นคนอยู่ในตระกูลเป็นคนที่มั่งมีแต่ทำไมสุขภาพจึงเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ถึงกับฆ่าแต่ชอบชอบังแกสัตว์ชอบตีสัตว์ทบใช้อะไรที่เห็นในสัตว์ทางหลายขึ้นมาแล้วคล้าข่ก่อนรังแกได้ตีได้เตะได้เขียนได้อะไร ไดทรมานได้จับได้มัดไม่ให้มันกินข้าวกินน้ำลักษณะอย่างนั้นหรือว่าคู่คนก็ตากทรมานเขาลงทันเขาอันนั้นแหะคือบาปกรรมตัวนั้นจะตามสนองมาในเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นคนทุบพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแต่ไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับขาดชีวิตพราไม่ได้ฆ่าเขาสิ่งเหล่านี้หลักของพุทธศาสนาท่านบอกไว้หมด สรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทำทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนีย่ยสรุปแล้วพระพุทธองค์นะกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเป็นทุกข์กรรมชั่วนั้นจะให้ผลตัวเองเมื่อภายหลังถ้าเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันนกรรมชั่วนั้นให้ผลยังไงสมมติวันเนี่ยวันนี้เราไปฆ่าไปตี เอามีดไปฟันไปแทงเขาาวันนี้มันก็โทษอาญาแต่เขาก็มาจับเราใช่ขณะที่ทำเราก็ไม่ได้คิดปัจจุบันแต่เมื่อทำไปแล้วน่ะเขาก็ต้องจับเราเข้าคุกไปเข้าตารางเข้าเรือนจำเพราะเหตอะไรเพราะตัวเองทำไม่ดีทำกรรมไม่ดีเมื่อทำกรรมไม่ดีนั่น่ะกรรมไม่ดีน่าจะตามสนองให้ผลถ้าโทษขนาดไหน โทษประหารเมื่อโทษอะไรเมื่อตัวเองทำลงไปแล้วโทษนั้นก็จะตามสนองเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเนื่อทำกรรมชั่วและกรรมชั่วจะตามสนองเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนมีหลายขั้นตอนในการเป็นอยู่ร่วมกันก็สอนในระดับหนึ่งจากนั้นก็สอนในส่วนตัวอีกทีนส่วนตัวคล้ายๆว่าสอนใจ สอนตัวผู้รู้คือสอนโซเฟอร์นะ่พราะพระพุทธเจ้าสอนโซเฟอร์โดยตรงธรรมะทำคาสอนของพระ พ, พุทธเจ้าสอนโซเฟอร์คือใจใจเอ้ยอย่าไปหลงร่างกายนะร่างกายเนี่ยนะมีจุดจบนะอีกสักวันหนะึ่งไม่รู้ว่าวัดไหนนะข้างหน้าเนี่ยนะเขาต้องเผาเราต้องขึ้นสู่เมรุแน่แต่เรามีความมีบุญกุศลเพียงพอหรื อ, อยัง คุณงามความดีที่เราได้สั่งสมนั้นมีเพียงพอหรื อ, อยังโซเฟอรอ์เมื่อรถคันนี้อายุมันมากแล้วใช้จนผุพังแล้วโซเฟอร์ต้องต้องหนีออกจากจากรถคันนี้นะแต่โซเฟอร์ได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าตัวเองหรื อ, อยังโซเฟอร์ได้เก็บหอมรอมลิบทรัพย์สมบัติไว้เพียงพอหรื อ, อยัง ในเมื่อรถคันนี้พังแล้วเราจะต้องไปซื้อรถคันใหม่หรือเราจะดําเนินของเราอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าโซเฟอร์ได้ตั้งคิดไว้ว่าตายแล้วไม่สูนญตายแล้วเกิดอีกแน่ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนจะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อโลกต่อคู่คนพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องให้เพียงพอประโยชน์คนอื่นเราก็ช่วยช่วยเหลือเจือจานไปอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะต่างคนก็ต่างมาเกิดใช้กรรมของใครของเรา เว้นเสียแต่คนนั้นทําไม่ถูกในเมื่อทําไม่ถูกกฎหมายกฎกติกาในโลกมันก็มีอยู่ในกฎกติกาในประเทศมันก็มีอยู่ก็ต้องออกมามาบอกมากล่าวกันเออบังคับกันให้ใช่ตามกฎกติกาในนั้นอแต่เราอย่าไปลงโทษเองอย่าไปจัดการเองอย่าไปฆ่าไปทุบตีเขาเองฮะอันนี้แหละสรุปแล้วก็คือหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ท่านให้ดูตัวเองดูใจของตนเองอย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าร่างกายนะมันมีป่าช้ามันมีเมนเผาแต่ใจของเราเนะี่ยนามธรรมนะ่ะมันไม่มีเมนไม่มีปลาช้าเผาใจแต่เมื่อเราทำคุณงามความดีก็ดีทำความชั่วก็ดีเมื่อทำไปแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีทำไปแล้วนะใจนเป็นผลรับผลคล้ายๆว่ารถไปชน คู่ชนคนรถมันไม่ได้รับอะไรนะมันก็พังไปแต่ว่าโชเฟอร์เป็นคนรับเป็นรถผลรับโทษเป็นคนรับไหมใส่โทษถ้าว่าชนผิดที่ผิดทางโชเฟอร์เนี่ยต้องติดคุกติดตลังนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทําคุณงามความดีพารถไปสร้างบุญสร้างกุศลโชเฟอร์ก็ได้บุญได้กุศลหรือโชเฟอร์พารถคันนี้ ไปทํามาค้าขายแล้วก็โซเฟอร์ก็ได้เงินรถก็ไม่ได้เงินอะไรมันพาไปเฉยๆโชเฟอร์พาไปนี้คุเหมือนกันถ้าว่าพวกเรานํารถคันนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ถ้าทําให้เกิดโทษมันก็เกิดโทษแต่ผู้ได้รับนั้นคือใครก็คือใจเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสมอง ก็คือเครื่องใช้คือเหมือนกับโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างงั้นอ่ะเนี่ยแต่คนที่ใช้สมองนี่คือใครจุดนั้นมองไม่เห็นวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มองไม่เห็นเห็นแต่สมองถ้าว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ดีเออนาซาก็ดีนะที่มองไม่เห็นนะ่ยสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่รับไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเปิด กว้างไปอีกเหมือนกันสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีอยู่ในโลกเนี่ยเหมือนกับดาวในท้องฟ้าอย่าเดี๋ยวนี้เราขึ้นไปสู่โลกจักรวาลเนี่ยไปถึงดาวกี่ดวงนะไม่กี่ดวงนะที่เขาขึ้นไปได้แต่นอกนั้นนะ่ะดาวในจกนักรวาลมันมีมากขนาดไหนที่ท้องฟ้าเนี่ยแต่ละดาวแต่ละดวงนั้นมันใหญ่ขนาดไหนใครรู้ไหม แล้วมันมีอะไรอยู่ในดาวเหล่านั้นเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะสิ่งเหล่นั้นไม่มีใช่ไหมก็ไม่น่าจะปฏิเสธเ อ, อมันอาจจะเหมือนโลกมนุษย์ของเราก็ได้ อ, อพอมันเยอะเหลือเกินนะแต่แต่ละดวงหนึ่งใหญ่ไหมฮเขอก็ว่าใหญ่มากเต่มมองเห็นะนะี่แหละสิ่งที่มองไม่เห็นเรายังไปไม่ถึงเราก็ไม่ควรปฏิเสธควรจะรับทราบรับรู้ไว้ก่อน แต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อว่าขาดช่วงนื้ขาดช่วงก็คือสมัยพระพุทธเจ้าเน่ยท่านสอนไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกนะแต่พอมาถึงช่วงหลังๆเนี่ยออาจจะมีการศึกสงครามอะไรแต่สุดแท้แต่แต่พอมาถึงยุคนี้ก็หาเหินไปก็มีน้อยมากที่ผู้ค้นคว้าศึกษาถ้าค้นคว้าศึกษาเออจริงทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงจริง ถามดูสิหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาครูบายอาจาราย์พระเถระผู้ใหญ่สายกรรมาฐานท่านอยู่ในป่าหลงพงภัยถามท่านหน่อยสิท่านมั่นใจร้อยทั้งร้อยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําไมเพราะท่านนั่งภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งท่านแยกออกได้เลยว่ากายกับใจเนื้อกับมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะไงมันคนละอย่างกันร่างกายนี่ตายแต่ตายสลายแน่นอน สูดินน้ำลมไฟแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้เนี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยากจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะให้นั่งภาวนาถ้าจิตใจสงบรวมสงบเป็นหนึ่งจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิตามที่ทาคําสอนของพระพธที่้าได้สอนไว้แล้วเราจะเชื่อมั่นในตนเองว่าเออ พระพุทธเจ้าทุกขค้นขวาศึกษาได้อย่างไรเราจะเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามใครเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนว่ยทำมะปั จ, จัตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงรู้จริงเห็นจริงรู้ได้ด้วยตนเองนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมธนาให้พร